โยมยังสงสัยว่านี่ตัวที่รู้อ่ะเป็นโยมรู้หรือรหรือเป็นธาตรู้โยมแยกไม่ได้ตรงนั้นนะอแยกไม่ได้ว่านี่นี่ที่เรารู้เนี่ยเราเรารู้หรือเป็นธาตรู้มันรู้คือแยกไม่ได้ตัวธาตรู้กับกับตัวรู้ที่เป็นขันน่ะค่ะตัดตัวนี้ไปก่อนตัวเราเนาะเพราะว่าตัวเราไม่มีนะ้วไม่มีตั้งแต่ไหนแต่ไรเนานะเราไม่มี สิ่งที่มีก็คือวิญญาณวิญญาณนัขันเขาเรียกว่าวิญญาณในขันห้าที่รับรู้อะไรได้เหมือนกันถูกไหมกับอีกอันหนึ่งคือาธาตุรู้มันก็รู้อะไรได้เหมือนกันแต่ถามว่าต่างกันตรงไหนวิญญาณนัขันเนี่ยมันรู้อะไรแล้วเนี่ยมันจะมีการพูดคิดอ่าพูดต่อคิดต่อหรือว่ามีอ่าเวทความรู้สึกเกิดต่อที่มันวนวนวนวนวนวนเช่นเมื่อกี้เนี่ยที่สงสัยเนี่ยแสดงว่าวิญญาณเนี่ยไปรู้อะไรบางอย่าง ไปรู้อะไรบางอย่างแล้วก็รู้แล้วคิดคิดคิดปรุงปเสร็จแล้วก็เกิดความสงสัยขึ้นมาแล้วก็วิญญาณนี้ก็มารู้อีกว่าเป็นมีสงสัยเกิดขึ้นแล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยในกลุ่มวิญญาณนักขันเนี่ยมันรู้แล้วเนี่ยมันจะส่งต่อคือมันจะปรุงต่อในรูปของความคิดในรูปของความรู้สึกแล้วก็วนวนวนนไม่จบไม่สิ้นเพราะฉะนั้นรู้เมื่อกี้เนี่ยแล้วออกมาพูดได้เนี่ยง่ายๆเลยรู้อะไรก็ตามรู้แล้วออกมาพูดออกมาคิดออกมาปรุงเนี่ยอันนี้เป็นวิญญาณนักขันหมด แต่ว่าถ้าเป็นธาตุรู้รู้ที่ไม่มีตัวไม่มีตนที่ว่านะเป็นเป็นความไม่มีอะนะรู้เนี้ยพูดไม่ได้คิดไม่ได้ได้แต่รู้อย่างเดียวสิ่งใดที่พูดออกมานั่นเป็นวิญญาณนักขันหมดเช่นบอกว่าเอ้ยร้อนเจ็บนี่เป็นวิญญาณนักขันหมดเพราะรู้เจ็บรู้ร้อนแล้วออกมาพูดว่าเอ้ยร้อนจังเลยเจ็บจังเลยเห็นไหมไอันนี้เป็นวิญญาณนักขันแต่ถ้ารู้ที่ไม่มีคือมันไม่มีอะไร ไม่มีการพูดไม่มีการเอ๊ไม่มีการอะจึงได้แต่รู้เพราะว่าไอ้ที่เอ๊ที่อะนี่เป็นสิ่งใดสิ่งหนึ่งหมดเลยแต่สิ่งนู้นอะ่ะมันเป็นสิ่งที่ไม่มีมันเอ๊มันอะไม่ได้ เ, <อ>เพราะงั้นที่เอ๊ๆได้หรือสงสัยได้อะไรได้เนี่ย น, น, ญญนีเป็นวิญญาณนักเป็นวิญญาณในขันธ์ห้าหมด<อ>แต่ไอความไม่มีที่มันรู้อะไรได้เนี่ยมันไม่มีเอ๊ไม่มีอะมันเงียบอยู่ แต่โยมไม่ต้องไปหาหนะบอกก่อนนะเพราะไอ้ตัวนั้นถึงบอกว่าหาไม่เจอเออหาไม่เจ อ, เ อ, อแต่วิญญาณเนี่ยหาเจอเพราะวิญญาณเนี่ยมันออกมาในรูปของคําพูดถูกไหมเช่นเหรอมีอยู่ที่ไม่ใกล้กว่ารู้ภาารู้เนะนี่ยนต่เราไม่เห็นมันเหรอมันเป็นความไม่มีแต่เรียกว่ามีก็ได้อาอมีคือมันรู้อะไรได้เอางี้ก่อนเอาเอาเรื่องวิญญาณนัขันก่อนนะไม่งั้นเดี๋ยวมันจะพันกันเนาะเช่นวิญญาณนัขันนะวิญญาณในขันห้าเนี่ย เขาเรียกว่ารับหูเออรับรู้ทางหูเสียงกระทบกับหูเกิดการได้ยินใช่ไหมได้ยินแต่ทีนี้มันไม่เพียงได้ยินดีมันจะส่งต่อมันบอกเสียงเสียงดังเฮ้ยเสียงระคังนิว่ะเห็นไหมมันจะเอาสัญญามามาพ่วงจําได้แล้วก็เกิดเวทนาความรู้สึกชอบไม่ชอบใช่ไหมเออแล้วก็มันก็เป็นคิดคิ ด, คดปรุงปรุงมันก็วนอยู่เนี่ยพอรู้แล้วตีเข้าไปมันบอกโอ้ทำไมไม่หยุดซะที อย่างนู้นอย่างนี้อย่างนี้คือวิญญาณเนี่ยมันจะส่งต่อให้พูดให้คิดไปเรื่อยถูกไหมไอ้ น, นี้เป็นเรื่องของวิญญาณนักขัคือรู้อะไรแล้วมันต้องพูดต้องคิดต้องปรุงอ่าแต่ไอรู้ที่เป็นว่ า, าธาตุรู้เนี่ยมันเป็นความไม่มีเพราะฉะนั้นมันพูดไม่ได้มันคิดไม่ได้มันมีความรู้สึกอะไรไม่ได้มันจึงได้แต่รู้ได้แต่รู้ก็โง่ง่ายง่ายไงเวลาเวลาพูดเวลาคิดในใจรู้ได้ใช่ไหม ไอ้ตัวคิดเนี่ยนี่ก็คือตัวปรุงแหะแล้วทำไมเสียงดังกันอย่างงี้ันนี้นี่คือตัวคิดอ้าแล้วก็วิญญาณธาตุเนี่ยมันก็ได้แต่รู้ว่าคิดแล้วแล้วต่อมาหยุดคิดหยุดคิดคือเงียบสนิทแล้ววิญญาณธาตุรู้ได้ไหมเวลาหยุดคิดรู้ได้เพราะฉะนั้นวิญญาณธาตุไม่ใช่คิดแล้วก็ไม่ใช่หยุดคิดแล้วก็ไม่ใช่มีความสุขพเพราะเวลามีความสุขมันรู้ได้ว่าสุขแต่มันก็ได้แต่รู้เวลาทุกข์มันก็ได้แต่รู้ รวมความง่ายๆก็ได้ว่าวิญญาณนธาตุนี่ยมันได้แต่รู้แต่มันคิดไม่เป็นกระจกได้แต่วิญญาณานักสันเนรู้อะไรแล้วก็ต้องคิดต้องปรุงต้องนึกใช่ไหมมันเป็นลูกโซ่พอแต่ตรงนี้กว่าจะเข้าใจนะเราก็ยากอยู่เหมือนกันนะพราะนั้นโยมต้องถามบ่อยๆอย่างเนี้ยยังไม่มีญญมีมีมมมแต่ไม่รู้จักเพราะว่าตอนเนี้ยมีตัวโยมเนี่ยกําลังจะไปไปทําความรู้จักกับกับวิญญาณานธาตุ กับธาดว่างอ่ะมีตัวเรามีตัวเราไปเพื่อจะหามันพอหาเสร็จอยมไม่ลองสังเกตหรือว่าอะไรเป็นคนหาไอ้ธาตุรู้มันจะรู้ตัวเราเลยว่าถ้ามันถ้าธาตุรู้มันพูดได้นะมันบอกเฮ้ยมึงหากู่อีกแล้วแต่ ก, กู่อ่ะไม่มีวันที่มึงจะหาเจอหรอกแตกก่ปู่เจอมึงหากู่ไนี่ถ้ามันพูดได้นะเมื่อกี้ในความรู้สึกเห็นหั้มมีตัวโยมเนี่ยไปจะพยายามจะทําความเข้าใจเรื่องธาตุรู้ แล้วลองสังเกตไหมล่ะมันจะเห็นได้ไหมล่ะว่ากำลังพยายามจะทำความเข้าใจไอ้ตัวนั่นแหละท่านรู้นั่นแหละไอ้ตัวที่ที่มาเห็นตัวเราที่กำลังพยายามจะทำความเข้าใจเพราะนั้นแทนที่เราจะไปเห็นมันมันดันเห็นเราเฮ้ยถูกไหเออเราไปพยายามจะเข้าใจเรื่องท่านรู้พยายามจะหาพยายามจะคิดเพื่อให้รู้แต่ท้ารู้หมดเลยเฮ้ยมึงคิดแล้วมึงคิดแล้วมึงคิดจะหากูแล้วเนี่ย ยองยองอีกทีคือเหมือนกับว่าโยนิโสเขาว่าไม่ต้องทำอะไรนะไอ้นั่นนะการคิดจริงๆมันเหมือนกับว่าแค่เหมือนกับว่าให้รู้จักธาตุรู้อะแต่จริงๆมันไม่เจอหรอกธาตุรู้อ่มันจะเจอได้ก็คือแบบง่ายๆเลยเนี่ยหยุดเลยหยุดโยมเนี่ยไม่ต้องไปทําความเข้าใจเรื่องธาตุรู้เลยไม่ต้องไปคิดเลยว่าธาตุรู้คืออะไรแต่ถ้าโยมถ้ามันมีตัวสติเหมือนกับว่าไปเห็นว่าเรากําลังคิดหามันเนี่ยและสติตรงนั้นแหละ ในสติมันก็มีธาตุรู้อ่ะแหละก็คือมันจะเห็นว่าเอยเรากําลังคิดแล้วเห็นไหมมันตีกลับเลยมันดันมารู้เราอะ่ะเราพยายามจะรู้มันด้วยการคิดก็ดีด้วยการหาก็ดีแต่ธาตุรู้อ่ะมันกลับรู้เราอะ่ะว่าเราพยายามคิดหาเออแล้วพยายามจะทําความเข้าใจเรื่องมันอ่ะโอ้โหมันแปลกเราว่าไปหามันแต่มันเห็นเห็นเรา <c oughs> เออ <c oughs> เนี่ยนะเลย <c oughs> ยกเลยยอมยพอ โย่อธิบายเรื่องนี้ได้ไหมไม่แน่นะหนูอธิบายเรื่องธาตุเออได้ไหมลองดูดิเนี่ยบางทีช่วยกันนะบางเนี้ยอืมช่วยกันเราไม่คติดเราเกาเออเนี่ยเนี่เนี่ยหาทําไมอ่ะรู้อยู่ว่าหาไม่เจอเหนื่อยเป่าค<ม>ี่โคเขายกตัวอย่างขี่โคไปหาโคขี่วัวไปหาหวัวขี่อยู่แท้แท้นี่ยนั่งอยู่บหลังมันนะแล้วก็ไปหามาัน่ะ ทั้งๆ ท, ที่ขี่อยู่เนี่ยอยู่เนี่ยอยู่กับตรงเนี้แล้วไปหาโคอยู่ไหนวะโคอยู่ไหนตราบใดยังไม่เห็นว่านี้อ่ะโคมันอยู่ตรงเนี้ก็หาด้วยไปทีนี้ก็เหมือนกันไอ้พุทธะเนี่ยหรือว่าไอ้ธาตุรู้เนี่ยหรือหาสิ่งที่ไม่มีอโยมหาเท่าไหร่ก็ไม่เจอกี่พบกี่เจอก็หาไม่เจอเสียเวลาเปล่าเอาเป็นว่าง่ายๆนะตอนเนี้รู้แค่สังขารพอว่าอะไรที่มันมีอยู่่ะมันไม่เที่ยงเป็นทุกข์แล้วก็แค่รู้แค่รู้นั่นแหละมันรู้อยู่นั่นแหละอัตโนมัติแล้ว เค่รู้แค่รู้